ช่วยๆกันเรียนนะตั้งหัตั้งใจเรีย น, นเอาให้เข้าใจให้ได้จะได้รักษาสืบทอดศาสนาไปกว่าคนคนหนึ่งทีภาวนา่อเอาตัวรอดได้นะยากเหลือเกินมันต้องต่อสู้กับแรงดึงดูดของโลกมากเหลือเกินมันไม่ใช่ดึงลงเบื้องต่ำอย่างเดียวนะมันดึงขึ้นเบื้องสูงด้วย ดึงเป็นเทวโลกก็ได้ไปพรหมโลกก็ได้นี่มันก็โลกทั้งนั้นแหละกว่าจะรอดสักคนหนึ่งคนหนึ่งข้ามพพข้ามชาติได้ก็ต้องลงทุนลงแรงพอดูเลยกว่าจะข้ามได้นะล้าเป็นครูบาอาจารย์บางท่านท่านข้ามได้แต่ท่านสอนไม่ได้ก็มีนะบางองค์ท่านสอนไม่ได้ท่านพิจรารณาแล้วท่านไม่มีวาสนาทางนี้ พอท่านได้แล้วท่านก็นิพพานไปเลยก็มีบางองค์ท่านก็ไม่สอนเวลายโยมเข้ามาในวัดนะท่านก็เดินไปคุยกับกําแพงคุยกับกนะําแพงแล้วยโยมเห็นแล้วโยมหนีไปหมดเลยนะท่านก็เสวยความสุขของท่านไปนา น, ไปนานไปนานไปเนี่ยครูบาอาจารย์ร่อยรอลองทุกทีแต่ก่อนพวกเราจะไม่ต้องแห่มาเรียนที่นี่มากขนาดนี้ครูบาอาจารย์มีมากนะเมื่อปี 2,520 กว่าๆนะยังมีเยอะอยู่พอ ม, มาถึงวันนี้นะร้อยหรอหาที่เรียนกรรมฐานจริงเลยหาหาได้ยากที่เรียนนอกรูนอกทางมันก็มีนะแต่ว่าที่อยู่ในร่องในรอยของการเจริญสติทำไปแล้วก็ลดไล่กิเลสได้ฉับพลันเห็นผลทันทีในเวลาสั้นๆไม่ค่อยมีเท่าไหรล่ละร้อยตรอ ครูบาอาจารย์กำลังจะสิ้นอีกองหนึ่งนะหลงตาผนึกนิวคงอยู่ได้ไม่กี่วันนี้แหละเขาก็พยายามยื้อท่านไหมจะรอให้ทอดกระถิ่นพรุ่งนี้ก่อนลูกศิลย์ลุกหาก็เตรียมโรงเตรียมอะไรไปแล้วนั้นท่านก็อายุเยอะเก้าสิบนี่มันขาดช่วงไปช่วงหนึ่งช่วงพอสอสองอยี่บสามอะไรนี้ครูบอาจารย์รุ่นกลางๆท่านเรือบินตกไปหลายง ในสายวัดตาก็ลยขาดช่วงไปเยอะเลยมาถัดจากรุ่นผู้ใหญ่ไปเลยนะอย่าตอนนี้รุ่นจันมหาบัวก็รุ่นผู้ใหญ่ก็ลงมาเล็กเลยลงเล็กเล็ ก, เ ล, กเล็กก็ประมาณอายุหกสิบเจ็ดสิบนะรุ่นกลางกลางแดสิบไม่ค่อยมีแล้วรุ่นจันมหาบัวก็รุ่นเกนะ้าสิบอย่างหลวงพ่อต้งเรื่รุ่นจิว๋วจิ๋วแต่รุ่นนะแต่ไซส์ไม่จิ๋วหรอกนะ เรียนนะเรียนให้ได้ให้เข้าใจมันไม่ได้ยากเท่าที่เราคิดพวกเราชอบไปวาดภาพการปฏิบัติให้มันยากทั้งยุ่งทั้งยากทาั้งที่เป็นของง่ายๆชอบทนะํานาะทำโน่นทํำนี่คิดอยู่ตลอดเวลาเลยว่าทํายังไงแล้วจะดีทําไงแล้วจะถูกทําไงจะได้ผลเร็วมีแต่ความอยากพอมีความอยากก็ลงมือทําแทนที่จะรู้กายตามความเป็นจริงรู้ใจตามความเป็นจริงก็อยากไปเรื่อยอยากแลก็ดิ้นไปเรื่อย อย่านึกนะว่าดิ้นแล้วมันจะบรรลุธรรมไม่มีวันเลยตรงที่ไมได้ธรรมะมานะั้นตอนนั้นหยุดดิน้นแต่ก่อนจะหยุดดิ้นก็ต้องดิ้นก่อนดิ้นจนหมดแรงดิ้นนะโดยธรรมชาติของจิตมันไม่ยอมง่ายๆหรอกถ้าจิตมันเป็นของว่าง่ายเชื่อง่ายนะมนคงบรรลุ ก, กันไปหมดแล้วอย่างบางคนมาภาวนาพอเห็นกายไม่ใช่เราเห็นจิตไม่ใช่เรานะเห็นความจริงแล้วไม่ยอมตัด จิตใจมัวแต่ตกอกตกใจโอ้ตัวเราหายไปบางคนกลัวไปเลยตัวเราหายไปไหนมันไม่ได้หายไปจากโลกเรามันมีอยู่แต่มันไม่ใช่ตัวเราเนี่ยกอดใจมันจะยอมรับความจริงได้นั้นก็ต้องสู้กันนานสู้กับอะไรสู้กับความยึดถือเก่าๆสู้กับความเห็นผิดเก่าๆที่สะสมมานานเราสะสมมาตลอดเวลาเลยว่ากายนี้ใจนี้คือตัวเราเป็นตัวเราหรือเป็นของเรานะ ยึดถือเหนียวแน่นพอามาเจริญสติมาเห็นความจริงเกะทนไม่ไหวถ้าคนไหนทนได้นะบางคนเห็นทีแรกขาดเลยนะผ่านปุ๊บๆๆเลยยันสิบหกขั้นผ่านทีเดียวไม่ไม่ใช่ผ่านทีเดียวสิบหกขั้นหรอกได้เบื้องต้นก่อนะเขาเห็นสภาวะธรรมแท้ที่มันเกิดดับได้เคลื่อนไหวเปลี่ยนแปลงได้ไม่ใช่ตัวเราได้คเนี่ยเห็นตรงนี้ไปนะบางคนก็ข้ามชั้นเลยอย่างรวดเร็ว เบื่อแวบเดียวนะ <im itation> จะเบื่อแวบเดียวเห็นความไร้ส า, าระของมัน <im itation> ใช่ไหมแล้วก็เห็นความเบือ่อแล้ก็ขาดความเบื่อขาดไปเลยเข้าไปสู่ความเป็นกลางหรือบางคนเห็นความกลัวความกลัวขาดไปเข้าไปสู่ความเป็นกลางสุดท้ายก็ไปรู้กายรู้ใจด้วยจิตที่เป็นกลางตอนนี้สําคัญนะตรงที่รู้จนถึงความเป็นกลางเนี่ยเป็นประตูของมรรคผลนิพพานนะถ้ารู้แล้ว ย, ยังไม่ถึงความเป็นกลางยังใช้ไม่ได้หรอก ถ้าไม่เป็นกลางมันก็หลงยินดีหลงยินร้ายอย่างเราเห็นสภาวะธรรมในใจเรานะเดี๋ยวสุขเดี๋ยวทุกข์เดี๋ยวดีเดี๋ยวร้ายนะพอสุขมันก็ชอบใจนะพอทุกข์มันก็เกลียดเนี่ยมันยินดียินร้ายพอเห็นความดีนะบางคนก็ชอบบางคนไม่ชอบดีชอบชั่วชั่วมีนะไม่ใช่ไม่มีบางคนภูมิใจนะโอ้ันโมโหเก่งนะเวลาชันโมโหนี่เห็นช้างเท่าหมูนี่ บางคนมันก็คนดีนะคนดีมันก็รักดีเกลียดชั่วคนชั่วมันก็รักชั่วเกลียดดีมันไม่ใช่ทุกคนจะรักดีเสมอกันหนอกแต่ถ้ารักอันหนึ่งเกลียดอันหนึ่งเมื่อไหรจิตจะต้องดิ้นรนจิตจะต้องทํางานอีกถ้ารักก็อยากให้มันเกิดบ่อยๆเกิดแล้วก็อยากรักษามันไว้ถ้าเกลียดมันนั้นก็ไม่อยากให้มันเกิดถ้ามันเกิดแล้วก็อยากให้มันดับไปเนียมันจะมีความรู้สึกอย่างนี้เกิดขึ้นใจมันจะดิ้น ทำยังไงมันจะดีทำยังไงจะสุขทำยังไงจะสงบมีแต่คนะําว่าทำเนี่ยมันไม่เป็นกลางแต่ต้องดูไปอีกเห็นสภาวะทั้งหลายเกิ ด, กลดนะแล้วดับเกิดแล้วดับซ้ําแล้วซ้ําอีกไปหรือบางคนก็เห็นว่ามันไม่ใช่ตัวเราหรอกร่างกายนี้ไม่ใช่ตัวเราจิตใจไม่ใช่เรานะดูไปเรื่อยๆเนี่ยบางคนเห็นมันเกิดดับคือเห็นอนิจจังนะบางคนก็เห็นมันมีแต่ทุกข์นะนอกจากทุกข์ไม่มีอะไรเลยนะพวกนี้เห็นทุกข์บางคนก็เห็นอนัตตา ไม่มีเราซ้ําแล้วซ้ําอีกนะเห็นไปเรื่อยๆถึงจุดหนึ่งมันรู้ความจริงทุกสิ่งทุกอย่างที่เกิดมาล้วนแต่ไม่เที่ยงทุกสิ่งทุกอย่างที่เกิดมาล้วนแต่เป็นทุกทุกสิ่งทุกอย่างที่เกิดมาล้วนแต่บังคับไม่ได้นี่เรียกเห็นสามัญยลักษณ์ลักษณะร่วมของทุกสิ่งทุกอย่างที่เกิดขึ้นมาเห็นลักษณะร่วมนี้แล้วใจยอมรับนะใจจะเป็นกลางความสุขเกิดขึ้นก็ไม่หลงยินดีแล้วก็มันไม่เกิดก็ไม่เสียดายไม่ได้อยากให้มันเกิด พอรู้ความจริงว่ามันอยู่ชั่วคราวหาแทบตายเดี๋ยวเดียวก็หายไปความทุกข์เกิดขึ้นก็ไม่เกลียดมันรู้ว่าถ้ามีเหตุมันก็เกิดไม่มีเหตุมันก็ไม่เกิดพอความทุกข์เกิดขึ้นมาก็ไม่ได้อยากให้มันหายเร็วๆพอรู้ว่าถ้ามีเหตุมันก็ยังมีอยู่หมดเหตุมันก็ดับเองเนี่ยปัญญามันเกิดขึ้นไหมรู้ด้วยปัญญาพอมีปัญญาแจ้งนะใจเป็นกลางกับสังขาร เห็นทุกสิ่งทุกอย่างที่เกิดขึ้นมาล้วนแต่ไม่เที่ยงทุกสิ่งทุกอย่างเกิดมาล้วนแต่ถูกบีบคั้นทุกสิ่งทุกอย่างที่เกิดมาล้วนแต่ไม่ใช่ตัวเราเห็นอย่างนี้นะใจมันจะหยุดดิ้นหยุดปรุงตรงใจที่หยุดดิ้นหยุดปรุงเรียกว่าใจมีปัญญาเป็นกลางต่อสังขารปัญญาตัวนี้ชื่อว่าสังขารุเบกขายานพวกเราทุกคนที่ภาวนานะ ต้องมุ่งมาสู่สังขารุเบิขายานให้ได้ในวันใดวันหนึ่งข้างหน้านี้แหละบางคนก็ไม่ใช้เวลาไม่นานก็ถึงละบางคนก็อีกนานหน่อยก็ถึงบางคนก็ชาติต่อไปก็จะถึงบางคนต่อต่อต่อต่อต่อต่ อ, ต อ, ตอไม่ถึงเลยเพราะเป็นมิจฉาทิฏฐินะถ้วเราคอยดูใจของเรานะเวลามันรู้สภาวะขึ้นมาเช่นมันเห็นความสุขเกิดขึ้นมาเนี่ยมันหลงยินดีให้รู้ทันะมันเกิดความทุกข์ขึ้นมามันหลงยินร้ายให้รู้ทัน หรือภาวนาเจริญสตินะสติเกิดทียิบเลยพอใจรู้ทันช่วงนี้สติไม่เกิดเลยสติแตกเสื่อมไปกรรมาฐานเสื่อมเสียใจรุ่มใจทุรนทุรายรู้ทันลงไปว่าไม่พอใจอยู่เนี่ยไม่ว่าอะไรเกิดขึ้นนะรู้ลงไปที่ใจของเราเบื้องต้นก็เห็นสภาวะก่อนนะเช่นร่างกายเส้นไหวรู้สึกจิตใจเส้นไหวรู้สึกนะโรคโดลงเกิดขึ้นก็รู้อะไรรู้ ถ้ารู้แล้วแต่ต่อไปก็ลึกซึ้งขึ้นใหม่สังเกตเข้ามาถึงจิตถึงใจมันจะเข้ามาสังเกตได้เองแหละอย่าจงใจสังเกตนะมันจะเห็นความยินดียินร้ายที่เกิดขึ้นงั้นเบื้องต้นรู้สภาวะนะถัดมาก็รู้ความยินดียินร้ายต่อสภาวะนั้นเมื่อเรารู้ความยินดียินร้ายต่อสภาวะนั้นความยินดียินร้ายจะดับไปใจก็เป็นกลางขึง้นชั่วขณะก็ไปรู้สภาวะอีกก็งลงยินดียินร้ายอีกรู้ทันความยินดียินร้ายอีกนะความยินดียินร้ายดับอีกชั่วขณะ นะเดี๋ยวกระทบอารมณ์ก็เกิดอีกนะเกิดไปจนวันหนึ่งปัญญามันแจ้งขึ้นมาว่าทุกสิ่งทุกอย่างนี้เป็นไตรลักษณ์เป็นของไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาคราวนี้มันจะไม่ยินดียินร้ายของมันเองแลเมืนะ่อตอนยินไม่ยินดียินร้ายพอไปรู้ทันความยินดียินร้ายเข้าเราจะได้ไม่ปรุงนานจนะฝึกมากเข้ามากเข้านี่มันเข้าใจความเป็นจริงของสังขารคือความปรุงแต่งทั้งปวงนะทั้งรูปธรรม ท, ทั้งนามธรรม ท, ทั้งกายทั้งใจเข้าใจแล้วว่ามันไม่เที่ยงมันเป็นทุกข์เป็นอนัตตานะ มันจะหมดความยินดียินร้ายไปเองนี่เป็นการที่มันเข้าถึงความยินดียินร้ายด้วยปัญญาไม่ใช่ด้วยสติเมืตอต้นรู้ด้วยสตินะเห็นจิตมันยินดีก็รู้อย่างไปเห็นสาวสวยใจมันชอบนะเราเห็นลงไปรู้ทันความชอบนี้ใจไม่ชอบอยู่แล้วอยากให้หายราคาอยากให้หายรู้ทันลงไปที่ความอยากให้ราคาดับอีกมันยินร้ายอีกละนัรู้อย่างนี้นั้นอย่างนี้เรียกว่ารู้ด้วยสติ รู้ไปเรื่อยๆทันทีที่รู้ได้สตินะความยินดีร้ายก็ดับแต่ดับชั่วคราวต่อไปพอซ้ําแล้วซ้ําอีกเห็นสภาวะเกิดดับไปเรื่อยๆเห็นเป็นใจรักไปเรื่อยต่อไปก็รู้ได้ปัญญาเห็นว่าทุกอย่างมันของชั่วคราวไม่รู้จะยินดีไปทําไมไม่รู้จะยินร้ายไปทําไมอย่างนี้รู้ได้ปัญญาการที่เข้าถึงความเป็นกลางด้วยปัญญาตัวนี้สําคัญที่สุดแล้วนะตัวเนี้เมื่อจิต ด, ดําเนินมาถึงตรงนี้จะมีทางแยกแล้ พวกหนึ่งมีความการุณาอยู่ในใจมีมหาการุณามากสงสารสัตว์โลกพวกนี้จะน้อมไปสู่พุทธภูมิพุทธภูมิไม่ใช่เป็นง่ายนะใจต้องเป็นกลางกับโลกจริงๆใจเป็นกลางกับสังขารจริงๆเห็นนรกกับสวรรค์เท่าเทียมกันนะถึงจะไปพุทธภูมิไหวถ้ายังเบื่อเบื่ออยากยากรักสุขเกลียดทุกข์รั ก, ร ก, รกดีเกลียดชั่วอะไรอยู่นีไปพุทธภูมิไม่ไหวหรอก ต้องไปด้วยมหากรุณาด้วยนะไปด้วยความอยากช่วยเหลือคนอื่นไม่ใช่ไปด้วยอยากใหญ่อยากโตอยากรอบรู้มากๆหลวงพ่อเจอพระโพธิสัตว์เยอะแยะ u, <ม>เลยนะตั้งแต่ภาวนามาบางคนอยากเป็นโพธิสัตว์เพื่อจะได้รู้ว่าจั ก, กรวาลเกิดมาได้ยังไง<ม>บางคนก็อยากใหญ่เป็นพระพุทธเจ้าแล้วใหญ่กว่าเทวดาและมนุษย์ทั้งหลาย น, นี่ทําด้วยกิเลสทั้งนั้นไปไม่รอดหรอกโ<ม>นะพธิสัตว์ต้องไปด้วยมหากรุณาจริงๆเลย อยากช่วยเหลืออยากสงเคราะเขาเห็น อ, อกเห็นใจคนอื่นเนี่ยถ้าใจน้อมมาทางนี้นะแล้วก็ภาวนามาจนถึงสังขาร u เบกขาใจเป็นกลางเห็นนรกปัสวรวะก็เท่ากันนะในนี้มีแรงมากแนละ้ไม่กลัวลำบากใช่ไหมถ้าเรายังกลัวลำบากอยู่เราไปช่วยใครก็ไม่ได้จริงหรอกถ้าคนที่ไม่กลัวลำบากนะไปเจอพระพุทธเจ้าเขาเนี่ยยินสีแก่กล้าละ พร้อมที่จะบรรลุพระอราหันต์ในวันนั้นเลยไปเจอพระพุทธเจ้าเพราะเราตั้งความปรารถนาเนี่ยไม่เอาแล้วพระอราหันต์ขอเป็นพระพุทธเจ้าองค์หนึ่งถ้าคุณธรรมพอขนาดนี้นะพระพุทธเจ้าพิจารณาแล้วภาวนาก็เก่งนะจนเป็นกลางกาสังขารแล้วมีมหาการุณาที่แท้จริงแนละ้วท่านก็จะพยากรณ์ให้ว่าอีกเท่านั้นเท่านี้นะจะได้เป็นพระพุทธเจ้าชื่อนั้นชื่อนี้ เนี้ยถ้าไม่ใช่ภาวนาจนถึงความเป็นกลางกาสังขารเนี่ยไม่ได้กินหรอกในรุ่นเรานี่หลวงพ่อเห็นอีกคนหนึ่งนะตอนนั้นสร้างสะพานพระปิ่นกล้าใหม่ๆวันหนึ่งมันมีรถตู้รถตู้ของเด็กนักเรียนเด็กเล็กๆเด็กอนุอบาลเกิดอะไรขึ้นไม่รู้ไฟไหม้อยู่ที่สี่แยกเลยเจรจรคนหนึ่งนะอยู่ตรงนั้นลุยไฟเข้าไปลากเด็กออกมาได้ ตัวนัดถูกไฟครอกเยอะเลยนะก็ยังลุยเข้าไปเอาเด็กออกมาอีกจนกระทั่งมันไม่ได้ยินเสียงเด็กแล้วนะก็คิดว่าเด็กหมดแล้วพอไฟดับนะเจอว่ายังมีเด็กติดอยู่สองคนตำรวจนี่เสียใจนะบอกว่าถ้ารู้ว่ายังมีอีกจะลุยเข้าไปอีกเน่ต้องใจขนาดนี้นะอืเนี่ยพระโพธิสัตว์บอกกล้าลุยไฟนรกนี่ไม่ไฟนรกหรอกนี่ไฟรถตู้นะเนี่ยของเราเจอข่าวนี้เราก็ไม่เอาใช่ไหมพระโพธิสัตว์ อย่างนี้ไม่เอาละเนี่ใจต้องขนาดนั้นนะถึงจะโพธิสัตว์ไหวกรุวนาสงสารครับอยากช่วยคเขานะแล้วพวกนี้ถ้าหักภาวนานะแล้วก็จิตใจเป็นแบบนี้อยู่เนี่ยพวกเนี้พอจะได้อยู่แต่ถ้าเหยาะเหยาะแย่แ ย, ะแ ย, ะแยะนะไม่ได้เรื่องหรอกไม่ได้เป็นโพธิสัตว์จริงหรอกนะนิดบางคนไม่ได้มุ่งพุทธภูมินะถ้าภาวนามาถึงสัง k าร u b e k h a ใจเป็นกลางกับทุกสิ่งทุกอย่างนละ้ว หมดความปรุงแต่งเพราะมันเป็นกลางมันจะหมดความปรุงแต่งจำไว้นะที่มันปรุงแต่งเพราะมันไม่เป็นกลางมันไปชอบอันนี้มันไปเกลียดอันนี้ชอบก็ปรุงแต่งที่จะเอาไว้หรือจะเอามาให้ได้เกลียดก็ปรุงแต่งที่จะป้องกันไม่ให้มันเกิดขึ้นหรือเกิดแล้วก็หาทางดับเหมือเนี่ยเป็นความปรุงแต่งแต่ถ้ามีปัญญาแก่รอบไปเห็นทุกสิ่งมันเกิดด้วยเหตุหมดเหตุก็ดับบังคับไม่ได้นะทุกสิ่งล้วนแต่ไม่เที่ยงเป็นทุกเป็นอนัตตา ใจไม่ไม่ปรุงแต่งนะใจไม่ปรุงแต่งนะถึงจุดที่อินทรีย์แก่รอบแล้วเนี่ยจิตจะรวมเข้าอัปปนาสมาธิรวมเองเลยไม่ได้เจตนาเข้าฌานนะจะเข้าเองทําไมต้องเข้าฌา น, น <ะ S 1> ถ้าไม่ได้เข้าฌานเนี่ยกําลังของสัมมาสมาธิไม่พอเพราะฉะนั้นเวลาพระพุทธเจ้าท่านแจกแจงสภาวะนะพอถึงสัมมาสมาธิเนี่ยท่านแจกแจงสัมมาสมาธิด้วยอัปปนาสมาธิต้องถึงอัปปนานะนะ ตั้งแต่ชาตที่หนึ่งขึ้นไปอย่างถ้าท่านแจากแจงสัมมาสติด้วยสติปัฏฐานสีท่านแจากแจงสัมมาทิฏฐินะด้วยตัวความรู้แจ้งในอริยสัจสี่แล้วก็รู้แจ้งรูปนามที่เป็นอดีตเป็นอนาคตรู้แจ้งรูปนามทั้งอดีตและอนาคตรู้แจ้งความเป็นเหตุเป็นปัจจัยสืบเนื่องกันของรูปของนามนี่รูาาแามมารปแปดอย่างนี่ท่านแจกแจงสัมมาทิฏฐิไว้อย่างนี้ นี่ตัวสมาสมาธิที่ท่านแจกแจงท่านแจกแจงด้วยฌานถ้าแต่ปฐมฌานขึ้นไปสมาสมาธิทําหน้าที่อะไรสมาสมาธินะเบื้องต้นที่พวกเราที่หลวงพ่อบอกก็มีสมาสมาธิเนี่มีใจตั้งมั่นอันนี้เรียกว่าสมาสมาธิแบบอนุโลมหรอกนะยังไม่ใช่ของจริงหรอกใจตั้งมั่นเป็นผู้รู้ผู้ดูนี่เรียกสมาสมาธิปลอมๆไปก่อนเพื่อให้แยกให้ออกระหว่างจิตใจที่ตั้งมั่นกับจิตใจที่ไหลไปแช่ในอารมณ์เท่านั้น ส่สามารถสมาธิแท้ๆจะเกิดในขณะที่จะเกิดอริยมรรคจิตจะรวมเข้าอันนาเลยสัมมาสมาธิจะทําหน้าที่เป็นที่ประชุมนะเป็นที่ประชุมหรือเป็นภาชนะที่รองรับองค์มรรคทั้งเจ็ดตัวที่เหลือรวมความแล้วก็คือเป็นตัวที่รวมพลังขององค์มรรคที่เหลือทั้งหมดเข้ามาเป็นหนึ่งะรวมพลังเข้าด้วยกันคล้ายๆหนังจีนนะใครเคยดูเรื่องโป้ยเสียนนั้ง พระเซนมีแปดตัวไม่แปดท่านใช่ไหมมีแปดท่านตัวเดียวสองตัวเนี้ยสู้ปีศาจไม่ไหวใช่ไหมถ้ารวมแปดแปดเาเรียกอะไรแปดอนะงค์เออแปดองค์แล้วถึงจะมีพลังมากสู้ปีศาจได้มรรคนี่ก็เหมือนกันนะถ้ามีเป็นตัวตั ว, ต, วตัวนะไม่ประชุมเขา้ากันรวมพลังเป็นอันเดียวกันนะไม่มีพลังที่จะทําลายล้างสังโยตัยนะสังโยต์นะยนั้นคือปีศาจ ต, ตัวชกกาชัากันนะสู้ยาก อยากพวกเราส่วนใหญ่ยังมองไม่เคยเห็นสังโยชน์ด้วยซ้ํำไปนะบางคนเริ่มเห็นเห็นเงาหนี้หน่อยๆเช่นบางทีก็มีความรู้สึกมีตัวเราผุดขึ้นมาเริ่มเห็นนี่เห็นเงาของสังโยชน์แล้วนะสังโยชน์ตัวแรกเลยสักกายทิฏฐิเริ่มเห็นเงาของมันนะพอสัมมาส ม, มาธิเกิดขึ้นมันจะไปชุมะจะรวมพลังของธรรมะ ฝ, ฝ่ายดีทั้งหลายนะเข้าด้วยกันความจริงไม่เฉพาะมากคเจ็ดตัวที่เหลือหรอก จะรวมพลังของโพธิปักเคียธรรมะธรรมะฝ่ายที่เป็นกุศลสามสิบกว่าตัวเข้าด้วยกันคราวนี้รวมพลังมาแล้วก็จะชนะมารได้ล่ะถ้าเดียวเดี่ยวสู้ไม่ได้หรอกะตัวสองตัวสู้ไม่ได้หรอกยงใครบอกถือศีลจะสู้มารได้ไหมสู้ไม่ได้มีแต่สมาธิจะสู้มารไหวไหมสู้ไม่ได้นะมีปัญญาอย่างเดียวจะสู้มารได้ไหมสู้ไม่ได้นะสู้ไม่ได้หรอกต้องประชุมลงในขนาจิตเดียวในที่เดียวกันเลยคือในที่ใดในที่จิตนั่นเอง ไม่ได้ไปไประชุมที่อื่นนะไม่ได้ไปไประชุมที่ศูนย์สุริกิตนะไม่ได้ไประชุมที่น้นที่นี่หอประชุมน้อนประชุมนี้แต่ประชุมลงที่จิตนี่แหละพลังของมาร์ก็จะรวมตัวกันขึ้นมาก่อนที่พลังของมาร์กจะเกิดเต็มบริบูรณ์นี้นะมันจะทบทวนเดินปัญญาขั้นสุดท้ายก่อนมันจะเห็นสภาวะธรรมนี่เกิดดับขึ้นมาสองขณะบ้างสามขณะบ้างบางคนเห็นสองครั้งก็ตัดบางคนต้องเห็นสามครั้งพวกนี้พวกล่าช้า พวกช้าต้องเห็นสามขนาดพวกรวดเร็วก็เห็นสองขนาดถามว่ามีนัยยะแตกต่างไหมไม่มีนะเทียบเท่เวลาแล้วแว บ, บเดียวเหมือนเหมือนกันนะั่นแหละแทบไม่ต่างกันเลยจิตมันไหวขึ้นมาสามขนาดนั่นเองพอเห็นนะองค์ธรรมสาคัญในขนาดนั้นเรียกว่าขันติเนี่ยตัวนี้สําคัญนะต้องฝึกนะมีขันติองค์ธรรมในอนุลมยานเนี่ยกชื่อขันติขันติเนี่ยจะเป็นกลางมันอดทนนะต่อสิ่งเร้า มีสภาวะบางสิ่งเกิดขึ้ น, มนไม่รู้ว่าอะไรมีสภาวะเกิดขึ้นแต่ไม่รู้ว่าคืออะไรเนหะ็นมเพราะอะไรเพรไม่มีสมมุติบัญญัติเห็นสภาวะเกิดนะใจเป็นกลางใจมีขันตินะอดทนต่อสิ่งยั่วถ้าเป็นอย่างครูบับ ป, ปองนะพอไปเห็นปุ๊บนี่มันคืออะไรนะต้องสงสัยไว้ก่อนเพราะชอบสงสัยนะสะสมนิสัยสงสัยต้องเพิ่มขันติอดทนต่อความสงสัยนะถ้าทนได้นะใจไม่ดีดดิ้นออกไปอีกเนะี่ย มันจะวางสภาวะนะแล้วก็ทวนกระแสเข้ามาห า, าธาตรู้<ม>พวกเราเคยเห็นจิตที่วิ่งไปวิ่งมาได้ยังเคยเห็นแล้วใช่ไหมคนเรียนสักพักหนึ่งก็เห็นหรอกจิตวิ่งไปวิ่งมานี่มันจะทิ้งสภาวะนะั้นมันจะทวนเข้าห า, าธาตรู้นะถ้ามันทวนเข้าถึงาธาตรู้เนี่ยตรงนี้แหละอริยมรรคจะรวมพลังกันแล้วตัดสังโยชน์ขาดเลยตัดอาสวะลงไปชั่วขณะนะสังโยชน์ถูกทําลายล้างลงเป็นลําดับลําดับไปนะเสร็จแล้วนะอริยผลเก็ดขึ้น สองขนาบ้างสามขนาดบ้างตรงนี้เห็นนิพพานจะเห็นนิพพานแจ่มแจ้งตรงที่เกิดอริยมรรคนี่ก็เข้าไปเห็นนิพพานแล้วนะแต่ยังไม่ได้แจ่มแจ้งเพยังมีงานต้องทําอยู่เพราะฉะนั้นในขณะที่อริยมรรคเกิดเนี่ยเขาถือว่าเป็นเรียกโลกุตตะรักูสนตรงที่อริยผลเกิดเนี่ยเรียกว่าโลกุตตะบิปปกเป็นบิปปกไม่ทํางานแล้วเลิกทำงานแล้หมดงานแล้ะ เข้าไปเสวยผลได้รับผลแต่รับผลแล้วจะนิ่งนอนใจอยู่นานๆไหมไม่นิ่งนอนใจนะเข้าไปสัมผัสนิพพานสองขนาดบ้างสามขนาดบ้างก็เลิกละพอดล ะ, ะถอยออกมานะจิตจะถอนจากอภินาสมาธินะหมดกระบวนการของอริยมรรคตรงนี้ละพอนะถอนออกมาเนี่ยกลับมาสู่กามาวจนภูมินี่จิตจะทวนกลับเข้าไปเลยทนะวนกลับเข้าไปพิจารณาใหม่ว่าเมื่อกี้เกิดอะไรขึ้น บางคนก็ทวนเข้าไปรอออะไรวะรู้สึกแต่ว่ากิเลสหายไปแล้วดูไม่ทันนะดูแต่ละขณะขณะไม่ทันคนไหนที่เล่นฌานจนชำนิชำนาญ น, นะจะเห็นสภาวะได้ประณีตจะเห็นไม่เป็นชดชดๆด ช, ช, ชนะเจ็ดขณะเห็นอย่างงี้ถ้าคนไหนศึกษามาในทางวิปัสสนาญาณิกมไม่ได้ทรงฌานเลยนะดูดูดู ด, ดูเอาอย่างเงี้ย จนมากขาดไปปุ๊บถอยออกมานะรู้แต่ว่ามันกิเลสมันหายไปแล้วนะแต่ไม่เห็นกระบวนไม่เห็นกระบวนกท่านะมีเจ็ดกระบวนกาท่านะท่าที่หนึ่งนี่ทุบท่าที่สองอย่างนี้นะนะหนึ่งสองสามนั้นท่าที่สองอย่างนี้น ะ, ะท่าที่สามเนี่ยต้องแหวออก่อนนะ <c oughs> ถ้าถ้าจิตไม่ได้ทรงฌานนะไม่ชํานาญเสจะไม่เห็นสภาวะละเอียดคล้ายคคนตกต้นไม้ พหลุดจากยอดไม้ก็ถึงพื้นตุบเลยนะดูไม่ออกแต่กิเลสเนี่ยหายไปแล้วเพราะงั้นถ้าคนไหนภาวนาแล้ววุบวูบวาๆไปแล้วก็คิดว่าใช่นะอย่าเพิ่งเชื่อให้มาทดสอบตัวเองด้วยกิเลสก่อนค่อยๆสังเกตไปกิเลสอะไรยังเหลืออยู่กิเลสอะไรหมดไปแล้วค่อยดูไปเรื่อยๆนะถ้าไม่เข้าข้างตัวเองนะมีสติมีปัญญาช่างสังเกตไปเรื่อยวันหนึ่งก็ต้องจับได้อย่างหลวงพ่อนะท่าตกรรมพระโสดาไปเยอะเยนะเอะแยะน แต่ละปีแต่ละปีนะี่เยอะแ ย, ยะมากเลยพระโสดาเท่าไหร่ไม่ใช่โสดาจริงหรอกนะยังมึนๆเ ม, มาๆอยูนะ่วิธีจัดการก็คือใจเย็นๆเดี๋ยเพิ่งไปบอกเขาว่าไม่ใช่นะอืมคนไหนเขาคิดว่าเขาใช่เรายไปบอกว่าเขาไม่ใช่นะเดี๋ยวเขาโมโหอีกพวกหนึ่งไม่โมโหนะเสียใจเสียใจล้มพังภาพเลยภาวนาไม่ไหวอีกต้องใจเย็นๆเวลาเจอ งั้นใครมาถามหลวงพ่อว่าผมเป็นพระโสดาอยังไงยังไม่ตอบง่ายหรอกพนะระพุทธเจ้าท่านบอกว่าอย่าเพิ่งอนุโมทนาแล้วก็อย่าเพิ่งขัดขนันะค่อยๆสังเกตไปมันมีกิเลสอะไรอีกค่อยพาเจ้าตัวเข้าดูนั่นแหละะบางคนบอกเป็นพระโสดาแล้วแล้วก็ชวนคุยน่นคุยนี่สักพักเห็นไหมมันมีความเป็นเราขึ้นมาอีกและ้นะถ้าเจ้าตัวเห็นก็รู้แล้วลว่าเจ้าตัวไม่ใช่นะถ้าอย่างเนี้เข้าไปต่อได้ ถ้าอยู่ๆเราไปตราหน้าเลยไม่ใช่หรอกนะเดี๋ยวมันโมโหเอาหรือว่าเสียใจไปเลยไม่รู้จะไปต่ อ, อยังไงนะงั้นภาวนานะวันหนึ่งเราจะได้ธรรมะเอาแค่โสดาก่อนนะสูงกว่านั้นเราค่อยว่ากันใหม่แค่นี้ก็ปางตายแล้ว <c oughs> มันยากตรงไหนอะมันยากตรงที่มันฝืนมันฝืนความรู้สึกนะเราตั้งแต่เกิดมาเนะี่ยเราคุ้นเคยที่จะส่งจิตออกนอก คุ้นเคยที่จะไปดูคนอื่นไม่คุ้นเคยที่จะดูตัวเองคุ้นเคยที่จะหลงอยู่ในโลกของความคิดไม่เคยคุ้นเคยที่จะรู้สึกตัวเลยคุ้นเคยที่จะออกนอกตลอดเวลาแล้วก็พอลงมือปฏิบัติก็คุ้นเคยที่จะบังคับเพ่งกายเพ่งใจคุ้นกับอัตตกิลมฐานุโยคไม่คุ้นกับการรู้ไม่คุ้นกับการรู้กายรู้ใจต่างความเป็นจริงพอไปรู้กายรู้ใจตางความเป็นจริงแล้วมันก็ฝืนใจอีกนะ ฝืนใจอีกเพราะว่ามันเสียดายมันเคยมีตัวเราตัวเราหายไปเนี่ยไปไปมามาไม่ได้สู้กับคนอื่นเลยสู้กับตัวเองทั้งสิ้นเลยนั้นการภาวนาไม่ต้องแข่งกับคนอื่นมีเพื่อนภาวนาแล้วทำให้คึกคักนะแต่อย่าแข่งกับเพื่อนเลยคนไหนคิดจะแข่งกับคนอื่นไปไม่รอดหรอกเพราะว่ามันกิเลสทั้งนั้นเลยภาวนาเราก็สู้กับความหลงผิดของตัวเองมันหลงผิดนะมันต้องค่อยๆศึกษาไปมันจิตมันทวนกระแส ทวนกระแสของโลกนะโลกมันมีแต่ไหลออกไปข้างนอกนะเราทวนกระแสเราย้อนกลับเข้ามารู้กายรู้ใจตัวเองโลกมันชอบพาไปดูอย่างอื่นเราก็จะมาดูกายดูใจตัวเองโลกมันชอบลากไปอดีตลากไปอนาคตเราจะอยู่กับปัจจุบันรู้ปัจจุบันนี่มันฝืนทั้งสิ้นเลยถ้าฝืนใจจงใจฝืนก็ไม่ใช่อีกละใช่ไหมไม่ใช่การรู้นั้นมันคล้ายๆเป็นช่องทางเล็กๆนะที่เราต้องค่อยๆ ค, คลับ หลวงพ่อเทียนท่านบอกเหมือนอยู่ในห้องมืดค่อยคลําไปนะคลำคลำถ้าอยู่ในห้องมืดแล้วอยากพ้นจากห้องแล้วก็นั่งเข้าสมาธิวันหนึ่งคงหลุดออกจากห้องะหลุดแล้วแหละนั่งนานนานตายเขาก็มาหามาไปเผาแต่ถ้าเราไม่นิ่งนอนใจนะใจมันจะสํารวจไปเรื่อยจะลองผิดลองถูกลองผิดลองถูกวิธีลองผิดลองถูกก็ต้องลองให้ถูกหลักไม่ใช่ไปลองมั่วซั่วนะลองผิดลองถูกก็คือหัดเจริญสติไปเรื่อยเลย เดี๋ยวมันก็มากไปเดี๋ยวมันก็น้อยไปเดี๋ยวก็หนักไปเดี๋ยวก็เบาไปเดี๋ยวก็ขยันเกินไปเดี๋ยวก็ขี้เกียจเกินไปจะคอยสังเกตใจเราก็ได้จนมันพอดีพอดีนะมันพอดีตรงไหนนัเหมือนเราคลำคลำไปเจอรูปบิดหรือเจอกรอนประตูเขาแลไขแกลกเดียวเองแกลกเดียวเองก็เปิดออกมาสู่ความสว่างได้แล้วตอนนี้เราอยู่ในที่มืดนะอยู่ในที่มืดยังมืดอยู่แต่ว่าบางคนก็เข้าใกล้ประตูแล้วนะจะบอกให้ เหลืออีกไม่กี่เก้าหรอกนะบางคนก็ยังคำโน่แนแทนที่จะคำหาประตูนะมันคาหาห้องใต้ดินอยู่มีนะพวกคำหาห้องใต้ดินเวลาภาวนารู้สึกไหมส่งจิตเข้าไปข้างล่างลึกเลยไหนว่านะบางคนมันนําเพ ด, ดานําเพ ด, ดานส่งจิตขึ้นไปนะมันไม่ได้อยู่กับปัจจุบันนะอยู่กลางกลางประตูมอยู่ตรงกลางๆงนี่แหละ แล้วอยู่ตรงไหนอยู่ตอนหน้าไม่ใช่อยู่ข้างซ้ายอยู่ข้างขวาอยู่ตอนหน้าเซอไปหาข้างซ้ายข้างขวาเองนะอยู่ต่อหน้าข้างซ้ายคือหลงไปทางตามโลกไปข้างขวาคืออาาัตกิรมาฐานิโยกนะข้างซ้ายเป็นกามสุขาริการนิโยคอนะไรย่างถ้าใครชอบฝ่ขวาแล้วก็บอกพวกฝ่ายซ้ายเนะี่ยเป็นกามสุขาริการนยโยคอะไรไม่ดีโทษคนอื่นไว้ก่อนนะนะ ในความเป็นจริงก็คืออยลงไปสู่ความสุดตรงสองด้านรู้อยู่กับปัจจุบันประตูอยู่ต่อหน้านะไม่เพียงประตูหรอกประตูนี้เป็นภาพลวงตาจะบอกให้ในความเป็นจริงนิพพานอยู่ต่อหน้าไม่ใช่ว่าต้องเปิดประตูเข้าไปเห็นหรอกแต่ว่าเซอร์เองไม่เห็นเองนะนิพพานอยู่ต่อหน้าตาตานี่เองแต่อะไรปิดบังไว้อ า, วาอาสวะกิเลสหรืออวิชชานั่นแหละปิดบังไว้ความไม่รู้ของเราเองนะันะนะนะ่เราต้องพัฒนาความรู้ขึ้นมา รู้อะไรรู้อริยสัจอริยสัจข้อแรกเรียกว่าทุกทุกคืออะไรทุกคือกายกับใจนั้นให้เราคอยรู้กายก็รู้ใจตรวเงเนืองๆรู้ไปอย่างที่เขาเป็นรู้ซื่อๆนะไม่ใช่บังคับกายบังคับใจนี่สุดตรงข้างบังคับไม่ใช่ลืมกายลืมใจนี้สุดตรงข้างตามใจกิเลสนะรู้กายรู้ใจรู้ซื่อๆกายเป็นยังไงรู้ว่าเป็นองนั้นจิตเป็นไงรู้ว่าเป็นองั้นรู้ไปอย่างนี้นะนี่สุดเรารู้ทุกสิ่งด้วยจิตที่เป็นกลาง เมื่อใดรู้ทุกสิ่งด้วยจิตที่เป็นกลางรู้แล้วไม่ปรุงต่อนะอีกนิดเดียวเองนะอีกนิดเดียวเองก็จะพบมาผลละไม่ยากเท่าที่คิดหรอกง่ายกว่าที่คิดนะพอคิดแล้วยากไม่ต้องคิดมากมีสติรู้กายรู้ใจลงปัจจุบันไปด้วยจิตที่เป็นกลางถ้าจิตไม่เป็นกลางรู้ทันไปฝึกอยู่อย่างนี้นะเจ็ดวันเจ็ดเดือนเจ็ดปีต้องได้ผลบ้างแหละอาจจะไม่ถึงขั้นพระรหันพระอนาคาคาเหมือนคนพุทธการนะ รุ่นเราฝึกไปเจ็ดวันเจ็ดเดือนเจ็ดปีได้พระโสดาเก็บบุญแล้วล่ะยินศรีเราอ่อนนะอ่ะพวกเราไปทานข้าวเชิญนิมนต์ครับ